สำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจจะแน่วแน่ใดก็อาศัยสติมากำหนดเพ่งลมหายใจเขา้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเขา้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์เบื้องตน้นนะไม่อย่งงางนั้นใจสงบไม่ได้ ตั้งใจไม่ได้เลยปกติของจิตหรือว่าใจนี่เนี่ยมันถ้าไม่มีสติควบคุมอยู่แล้วมิแต่คิดกับคิดมันเป็นสัญชาติมันอย่างนั้นมาตนนแต่ไหนแต่ไรแต่เราอาศัยแต่ความคิดอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้ เพราะว่าคิดแบบไม่มีปัญญาคิดไปตามอารมณ์ความชอบใจเฉยๆชอบใจเรื่องอะไรแล้วก็คิดปรุงแต่งเรื่องอ น, นั้นไปเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ว่าก็แต่ชอบใจแล้วก็จับเอาเรื่องนั้นมาคิดมาปรุงแต่งไปอยู่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระศาสดาทรง รู้แจ้งแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ต่อเมื่อเรายับยั้งใจนี้ให้มันเป็นหนึ่งลงไปปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้หมดเลยนั่นให้ใจมันสะอาดอยู่ภายในนี่นั่นหละไม่ไม่ถือเอารูปต่างๆมาเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตอยู่ในใจ ไม่ถือเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์อยู่ภายในใจนั่นแหะจึงเรียกว่าปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้ดับไปให้เหลือแต่ความรู้กับสติอยู่ภายในนี่นะ ให้จำหลักวิชาอันนี้ไว้การภาวนานะถ้าไปทิ้งหลักนี้แล้วไม่ได้หรอกภาวนาไม่เป็นนะจิตไม่สงบก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นก่อนอื่นมันต้องทำใจสงบซะก่อนคำว่าผู้ภาวนาเป็นนะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่า จับเรื่องอะไรได้เราก็เอามาวิจารณ์คิดเรื่อยเปื่ยไปอย่างนั้นไม่มีสิ้นสุดถึงแม้จะรู้จะเห็นไปมันก็ไม่เป็นอุบายลากิเลสตัณหาอุปาทานได้เพียงแต่คิดไปเห็นไปเฉยๆอย่างนั้นนะเรียกว่ามีแต่เพียงอนุโลมอนุโลมไปเฉย คือว่าคิดล่วงหน้าไปเห็นไปเรียวว่าคิดไปหน้าเรื่อยๆ น, นี่เทวาอนุรมไม่มีปฏิโลมคือถอยกลับเมื่อมันไม่มีปฏิโลมอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นแจ้งพ่อผู้เห็นแจ้งนะคือดวงจิตเนี่ยอันที่เราพิจารณาไปนั่นหมายคมว่าสัญญามันจำไป เช่นอย่างว่าเพ่งไปเห็นซากศพอยู่ในป่าชานูนนอย่างนี้นะอเมื่อก็เห็นซากศพอยู่ป่าชาโนนแหละแต่มันไม่เห็นอยู่ในใจนี้อเป็นอย่างนั้นวันนี้การเพ่งไปเห็นซากศพคนตา ย, ยป่าชาเ น, นั่นอันนั้นเรียกว่าอนุโลมการน้อมเอาเครื่องหมายของซากศพนั่นมา เขามาปรากฏอยู่ในใจนี่นะให้มันมาเห็นอยู่ในใจเป็นปัจจุบันเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิโลมเรียกว่าถอยกลับเข้ามาอใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นทราบศกอันนั้นนะอย่างนี้จิตนี่แหละเราถอยกลับสติเข้ามาถอยสัญญาความจํานั่นเข้ามาหาความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันนี่นะ นี่ยท่านเรียกว่าปฏิโลมให้พึงจําไว้มันต้องมีอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้เนะี่ยการภาวนาน่ะอมีทั้งสองอย่างใจมันจึงสงบลงได้โดยเฉพาะเรื่องปฏิโลมนี่แหละถอยกลับเข้ามาเมื่อมันถอยกลับเข้ามาได้อย่างนี้สิ่งใดที่ควรละมันก็ละได้เลย สิ่งใดที่ควรกำหนดรู้แจ้งมันก็รู้แจ้งได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราถอยกลับเข้ามาได้แล้ว เ, เพ่งอยู่ในปัจจุบันในใจมันก็สงบลงสงบลงแหละเพราะมันไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกนี่มันจะอยู่ได้ยังไงมันก็สงบลงนะสงบลงไปหาที่เดิมมันุ่นนะ ที่เดิมแต่มันมาปฏิสนธิในร่างกายอันนี้นะมันปฏิสนธิอาศัยอยู่ในอหไทยวัตถุเนี่ยนั่นแหละแล้วมันก็ไปสงบอยู่ที่เดิมของมันนะมันไม่ลิ่นหล่นไปแส่ายไปหาอารมณ์ภายนอกต่างๆนี่แหละให้เพิ่งพากันเข้าใจ มันมาสงบอยู่ในสภาพเดิมของมันแล้วมันก็ปลอดปร่งมันก็เบาเพราะมันไม่หนักมันไม่ได้หาบเอาอารมณ์ภายนอกไว้มันก็ไม่หนักเหมือนอย่างเราไม่หาบเอาของหนักไว้บนบ่านะนะมันก็ไม่หนักบ่าบ่านี้ก็เบาเมื่อปรงหาบลงไปแล้ว อันนี้เหมือนกันเนี่ยจิตนี่เมื่อยึดอารมณ์ภายนอกต่างๆไว้รู้สึกมันหนักน่วงเหมือนเอาหาบวางอยู่บนบาทน่ะมันเป็นอย่างนั้นคันเมื่อปล่อยวางอารมณ์ภายนอกต่างๆไปหมดแล้วทวนกระแสเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วเพ่งเข้าไปมีแต่สติกับความรู้สึกอยู่ภายในอย่างเดียวไ มันรู้สึกมันเบามันโปรง่ง อ, อดีนั่นแหละเหมือนกับว่าไม่มีภาระการงานอะไรอยู่ในใจนั่นนะหมดภาระลงนี่ต้องฝึกใจให้เป็นอย่างนี้มันถึงจะมีปัญญารู้แจ้งธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ได้ นอย่างงั้นมันจะไม่เห็นแจ้งเห็นก็เห็นมัวมัวไปอย่างนั้นแหละคือ mm hmm. มันต้องมาทากระแสจิตนี่ให้มันใสสะอาดซะก่อนอย่างนี้นะคูยง่ายๆมันยังไงกระจกส่องเงาหน้าอย่างนี้นะถ้ามันมีคเมเหมวอะไรมาติดเกิดกังเข้าไปแล้วก็มองเงาหน้าก็ไม่ชัดเจนนะมัวมัวอย่างนั้นนหะ ไม่เห็นหน้าได้ทุกกระเบียดนิว้วอ่ทีนี้ต่อเมื่อเอาผ้ามาขัดขเมเหลาที่มันจับอยู่กระจกนั่นออกไปขัดออกไปมัน ก, กระจกนั่นก็สะอาดใสเมื่อขเมเหลวมันออกหมดแล้วกระจกนั่นมันก็ใสแจ๋วเลยแบบนี้นะนั่นเนี่ยขอมองดูหน้าตัวเองก็เห็น ทุกกะเบียดนิ้วเลยหน้านี่มันมีลักษณะอาการอย่างไรต่ออย่างไรมันก็รู้เห็นได้ชัดอย่างนั้นแหละอ น, นี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นนะเรามาพยายามขัดจิตตัวงนี้นะให้มันสะอาดจากอารมณ์ต่างๆที่มันเคยยึดเคยถือมาแต่อดีตล่วงแล้วมานูน่นมันสะสมเอามาไว้ในจิตนี่ อ, อ ก็ไม่มีอะไรหรอกความจริงเนี่ยก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่ารักให้พอใจทางต่างนี่แหละมันชอบใจหลายอันอันดวงกีดดวงนี้นะมันหลงรักหลงชอบมานับเป็นอเนกชาติแล้วนับชาติไม่ท้วนหมายกว่างนันลนะ่ะที่ล่วงแล้วมานู่นนะ บนันีพระพุทธเจ้าอบุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์เสเวงหาทางชำระพหรุทัยของพระองค์ให้ผ่องใสสะอาดปราศจากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วจึงได้ดวงปัญญาอันประเสริฐบังเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์สามารถตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ นี่ก็เพราะพระ อ, องค์พยา ย, ย, า, ยามชำระดวงจิตที่เศร้าหมองด้วยอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละให้ละงับดับไปละพระทัยของพระ อ, องค์ก็ผ่องใสขึ้นมาแม่ราผู้เป็นสาวกของพระ อ, องค์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ ให้พึงเข้าใจเพราะว่าจิตใจนี่อันเดียวกันความรู้สึกนึกคิดอันเดียวกันนั่นแหละ